มันก็ไปอยู่สักพักพอมันโตขึ้นมันก็ออกมาออกมาทํารังใหม่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นดักแด้ออกมาก็มาทํารังใหม่อยู่ในท้อง อ, อยู่นอกท้องอยู่หน้าท้องเหมือนนะของตัวเต่าทองแต่การทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นอันตรายต่อมันเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะมีศัตรูนี่มาเล่น ง, งานมันได้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 มันจะเติบโตดีในท้องของแมวและพอโตเต็มวัยมันก็ออกมาทางอุจจาระเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวหนูแล้วมันก็สั่งหนูให้เดินเข้าไปหาแมวนีแล้วแมวก็กินเนี่ยเป็นวัฏจักรแบบนี้แล้วทุกนี่มันมันสามารถที่จะสั่งได้นะบงการหรือว่าควบคุมให้แมวนี่ให้หนูนี่มีพฤติกรรมแปลกๆที่เป็นอันตรายต่อ ตัวมันเองเพื่อที่มันจะได้เรียกว่าสืบพันธุ์นะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์เล็กๆหลายชนี้ก็มีนะเช่นพวกจิ้งหรีดพวกตัวออดพวกกบเนี่ยอย่างจิ้งหรีดนี่มันก็มีพยาธิชนิดหนึ่งพยาธเส้นมาเนี่ยพอมันก็ไปอยู่ในตัวจิ้งหรีดแล้วจิ้งหรีดนี่มันก็จะเป็นประเภทไม่กลัวน้ำนะ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 ให้มีพฤติกรรมแปลกแปกให้ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเพื่อประโยชน์ของพาราไซหรือปรสิทธิตรอบๆมันมีแต่พวกพยาธิมาเบียดเบียนแย่งอาหารจากเราหรือบางทีก็มีเชื้อบางชนิดดูเหมือนจะเป็นมาลาเรียนี่ก็เหมือนกันนัก็เป็นปรสิตได้มันก็กินเลือดทํำลายเลือดของคนเรามันก็ทําได้อย่างมากแค่นั้น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 ผลรายที่รุนแรงกว่าอ น, นี้มันเกิดจากอะไรนะถ้าเราท่านง่ายของชาวพูดเราก็เพราว่าเกิดจากกิเลสนะนี่ยกิเลสนี่มันมันไม่ได้บงการสมองเหมือนกับพวกปราชิตทั้งหลายนะแต่ว่ามันไปครอบงาจิตใจของคนเราอันนี้จะว่าหนักกว่าสัตว์ทั้งหลายที่พูดมาก็ได้นะ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 อันหนึ่งก็คืออารมณ์นะเช่นความโกรธพูดกันว่าเ่ไอ้เหล้าเนี่ย เ, เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยแต่ที่จริงนี่มันมีอย่างอื่นที่เปลี่ยนนิสัยคนได้นะเช่นอารมณ์ความโกรธนี่เป็นเป็นตัวเปลี่ยนนิสัยคนที่น่ากลัวมากเพราะคนเราเพอโกรธแล้วเนี่ยอ่าพฤติกรรมมันเปลีป่ยนแปลงไปบางทีคนเรียบร้อยนะกลายเป็นฆาตากรได้ คนที่เงียบๆบางทีก็อาจจะเอะอะโวยวายด่าคนด่าใครต่อใครเพราะความโกรธไม่ได้ทำเพราะความเมาเท่านั้นนะไม่ได้ทำเพราะริดเหล้าอย่างเดียวคนที่ไม่กินเหล้านะแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนทิใสัยได้นะเพราะความโกรธจากคนน่ารักนะกลายเป็นฆาตกรที่ฆ่านคนอื่นได้คนหน้าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเป็นเพื่อนด้วยซ้ำ หลายคนอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นคาตกรนะแต่ว่าคําพูดคําจา ก, ก็เปลี่ยนไปได้อย่างพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแกก็เป็นคนเป็นวัยรุ่นที่ก็ดูเรียบร้อยน่ารักก็ไม่ถึงกับเป็นวัยรุ่นนะก็อายุสักยี่สกว่าแล้วเกือบจะ30สิบแล้วแต่เธอเล่าว่าเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มีครั้งที่ด่าคนรักรุนแรงมากนะ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 อาบยมุกไปหาเหล้าไปหายาแล้าก็เลยนะยิ่งปรุงแต่งความคิดและอารมณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้ออกมาไม่ได้นะเหมือนกับเป็นตาข่ายนะอย่างที่พูดเมื่อวานเป็นตาข่ายที่ดักเอาไว้นะหรือเป็นหลุมที่ไม่สามารถเชียขึ้นมาได้พออยู่ในอาการแนี้มากๆก็ไม่ไหวข่าตัวตาย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 ไปผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงนินที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถแทนที่จะเอารถไปขายแทนที่จะขายบ้านนะจะได้หมดปัญหาหวงแหนรถเอาไว้หวงแหนบ้านเอาไว้ทะเลาะเบาแวงกับภรรยานะก็เครียดก็โกรธก็กลุ่มใจไม่รู้ว่า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 ไม่รู้ว่าพูดหรือพูดคว่าผมหรือพูดว่ากูนะผมเป็นใครหรือกูเป็นใครรู้ไหมผู้ประคงก็จะบอกผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าคุณนะทำผิดกบรรียบอย่างนี้ใช้ไม่ได้พูดจบก็กลับไปขึ้นรถในาทางนั้งโกรธมากคว้าปืนนะที่อยู่ในรถเนี่ยแล้วก็ลงจากรถเดินตามหลังผู้ปกครองคนนั้นไป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 ได้สติเลยนะโอ้นี่ถ้าเราถ้าเราไปยิงเขา้าในลูกเราเดือดร้อนเลยทั่นเนี่ยาจะมารับลูกในใจะจะกลายเป็นจะมาฆ่าคนไปแล้วนะอะไรสั่งนะอะไรบงการนะความโกรธนะความโกรธมันทําให้ลืมตัวแล้วนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของกิเลสอย่างหนึ่งนะกิเลสสมาเนี่ยมันมันจะทําให้เราเนี่ยหวงในหวงแหาในหน้าตา ไครมาท้วงไครมาติ่งไม่ได้จะรู้สึกโกรธจะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมากิเลสนี่มันสั่งให้เราบังคับไปเราทําร้ายใครก็ได้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเขามาทําให้เสียหน้านะเข้ามาทําให้ดูเหมือนหมิ่นหรือว่าจามเยียดชืจริงแค่เตือนเท่านั้นเองหรือแค่ต่อว่ามันไม่ถึงกับการทํำให้ เสียหน้าเสียตาอะไรมากหรือไม่ได้เป็นการบินศักดิ์รีอะไรนะแต่ว่ากิเลสมามันจะบอกโอ้เนี่ยเอาถูกยามเหยียดนะถูกหมินประมาทนะงั้นต้องจัดการมันนะกิเลสมันสั่งแล้วทำให้ลืมตัวพอลืมตัวความโกรธ ก, ก็เข้ามาครอบงำพอความโกรธครอบงำแล้วมันจะทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ให้ความลืมตัวและความหลงตนก็สำคัญนะ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 ภรยาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่อันนี้มันก็เห็นเลย น, นะว่าไอ้ความหลงตัวเนี่ยมันน่ากลัว ย, ยังไงบ้างนะคือไปติดยึด ก, กับความเป็นวิทยากรระดับชาตินะทน่านังที่สาหรับภรรยาแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือสามีนะนีสามีภรยาก็เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความหลงตัวทาให้โกรธ ความหลงตัวนี้ก็เป็นก็เป็นฝีมือของกิเลสนะอีกแบบหนึ่งนะกิเลสมันทำให้หลงตัวกูแน่กูเก่งเพียงแค่ภรรยานี่ท่วงเรื่องอวิผมนี่ก็กลัวขึ้นมาทันทีแทนที่จะคิดเออเราเป็นสามีนะนี่เาเป็นภรรยากับที่ว่ากูเป็นพิเทียวกว่าระดับชาติมึงเป็นใครแต่ดีที่แกมีสติทันนะแกมีสติทัน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 แต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราจะรอให้คนอื่นมาเตือนสติเรานะมาไม่ทมไม่ทันการอย่างสมมติว่านาฐานคนนั้นเนี่ยจะไปจะไปยิงคนอยู่แล้วนะบางเออไม่มีใครอยู่ในเหตุการ์ด้วยเนี่ยก็คงเป็นฆาตรกรเป็นแล้วนะแต่บางเออโชคดนะีมีคนเห็นเหตุการ์แล้วเป็นพลเมืองดีแต่จะมีเหตุกี่ครั้งนาะที่โชคดีแบบนั้นเราก็ต้องรู้จักพึ่งตนเองนะ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 คิดไปร้อยแปดพันประการจนนอนไม่หลับในการจริญสติเนี่ยมันประโยชน์นี่มันมีมากมายแต่ว่าขั้นเบื้องต้นเลยเนะคือก็คื อ, คอการที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ลืมตัวที่จะทำอะไรที่เป็นอันตรายหรือว่าก is, ่อความเสียหายกับตัวเองแล้วกับคนที่เรารักรวมทั้งไม่ทาให้ความทุกข์เข้ามาครอบงาใจเพราะว่า ถูกอารมณ์ต่างๆมาบงการควบครอบงําในการสร้างความรู้สึกตัวอย่างสําคัญมากนะแต่รู้สึกตัวได้ก็ต้องมีสตินะสติมันทําให้ใจนี่ไม่หลงไปในอารมณ์ทําให้ใจนี่กลับมาอยู่กับนกเนื้อกับกตัวเมื่อกลัาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อคุมีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็ปลอดภัยนะกิเลสมานจะมาครอบงําอารมณ์ต่างๆจะมาครอบงําบงการก็ทําได้ยาก เอาละชาห